50 t languages. t ี่สิ n s o ่ tham t h การสอบถามทาง g าริยาบกเยว u จ u ริสุบุ o ูขอโทษค mis ั i ม h u ีช่วยดีฉันทีได้ไหมค a นั่นคือสวลปสหายมาดูวีราแถวนี้มีร้านอาหารดีๆไหมคะอิลลีวลเลยพลาหารามันดีราเยลลีเดเลี้ยวซ้ายที่หัวมุมค่ะรัสตยกนเยลลีเยดักเก้โฮกีดีต่อจากนั้นตรงไปอีกนิดค่ะอาเมิเลสวลปดูระเนรวาเกนดดูโฮกีรี ต่อจากนั้นเลี้ยวขวาแล้วไปอีกหนึ่งร้อยเมตรค่ะนันตระสุมารุมนูรเมตรนชตูดูราบลาเกดเกโงกีคุณสามารถไปด้วยรถเม์ก็ได้นี่วูบัสนัลลิกูดา้าฮโงกับบดูคุณสามารถไปด้วยรถรางก็ได้นี่วูทรัมนลัลลกูดา้าฮโงกับบหดู คุณขับรถตามดิฉันไปก็ได้นี่วู่นิมม า, ารินัลลนันนะนเดบบห ด, ดิฉันจะไปสนามแข่งฟุตบอลได้อย่างไรคะนานฟุตบอลครีดังกนนันหูเหงื่ะลุปบข้ามสะพานไปค่ะเศรวิญญหาดลอดอุโมงไปค่ะ สุรังกดมูลกาาฮกีขับไปจนถึงสัญญาณไฟแดงที่สามค่ะมูเรเนีาทราฟฟิกไลท์ซิกัววร์เกโฮกีต่อจากนั้นเลี้ยวขวาตรงถนนแรกค่ะอัลลีมดลเนีารัสเตียลลีบลักเก่ธิรุกิคลลีต่อจากนั้นขับตรงไปเรื่อยๆผ่านสี่แยกถัดไป น, นตรนนดด ร, ตนตนรุุุดดอสยวีขอโทษค่ะดิฉันจะไปสนามบินได้อย่างไรคะชั้มิซีนานูวิมานานิลดานาทลุพัลู เ, เฮเก้ฮ oga เบกุวิธีที่ดีที่สุดคือไปโดยรถไฟใต้ดินสุรังกาไรลีนลลีตุ้มบสุลับหวางีทลุปบหุดู ออานายันยนิลดานดาวเรเกปรายาณมารีกรุณาไปที่ w w w b o o k t o d e สำหรับหนังสือและดาวโหลดเวอร์ชันใหม่ล่าสุด